เราเนี่าเรามาฝึกหัดวิชากบราฐานสอนกายสอนใจให้ใช้งานได้ให้เราสอนกายสอนใจได้ก็เป็นมรรคผลในพานถ้าเราไม่หัดไม่สั่งสอนกายใจของเราก็ไปสู่พวกปุ่มต่างๆตกต่ำ ต, ำตาบาย ไม่เจริญชีวิตถ้าไม่ศึกษาไม่ปึกผลตนเดเองไปสู่บภบมว์เท่ากับผลของโขไปสู่สวรรค์ น, นิพพานเท่ากับเขาของโขเราจะมีค่าก็าต่อเมื่อเราฝึกหัดโดยวิชากรรมฐาน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 ถ้าเราไม่เห็นเราจะเข้าไปโง่ไม่ฉลาดความทุกข์ทำให้เรงโง่ความหลงทํำให้เราโง่ความโกรธทาให้เราโง่ได้ถ้าเราศึกษากรรมฐานมันจะฉลาดตรงนั้นความทุกข์ควาโกรธควาโลภความหลงทําให้เราฉลาดได้ความทุกข์ควงหลงของโกรธ ก็มไม่เที่ยงเป็นมกผลให้ผ่านได้วิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็มีวิชาเนี่ยเป็นคู่ชีวิตของเราอุ่นใจพรมใจที่เรามีกรรมฐานทำอยางอื่นไม่มีทางไม่มีทางที่จะเข้าถึงมรรคถึงผลได้เช่น ฟังเทศมหาชาติสิบสองกันพันพักคาถาจบได้เป็นพระเยะบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งเราเคยได้ยินปฐมมุสมพูเราก็ได้ฟังเทศมหาชาติไม่รู้ว่ากี่ข้างกี่หนจนถึงกันสุดท้าย 12, าาสิบสองกันพันพักคาถาสัจฉต หกกษัตริย์เข้าเมืองเกินพระเวทสันดอนอาศีกันหาชาดีเจ้าคงสนชัยพระนางพุทธศรีห่างหกกษัตริย์พบกันผนโบกกลหพัดตกลงมาเออผู้ใดประสงค์จะเปียกก็เปียกผู้ใดไม่ประสงค์จะเปียกก็ไม่เปียกปรเทศจบ ก็มีผลโบกราพัดตกลงมาโดยเอาใบบัวใส่น้ำเขียนไว้โยกก็ะจิดเอาเอาไม้ไปตีใบบัวให้น้ำให้มันแตกน้ำก็เด็นไปสู่คนฟังเนีกวาผลโบกรพัดเราก็นึกว่าเราด้ยบุญ ก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงแปลงทาบทุญทำทานรักษาชิ้นก็ทำอยากได้บุญแต่ไม่รู้จักบุญตัวาบาปแต่ไม่รู้จักบาปจนเราก็ได้เรียนได้อ่านว่าจิตอยาให้เกิดบุญมีทานไม่ เย่อที่ให้เกิดวุ่นมีศิลละหมา่แลเราก็ทำศิลละไมแล้วก็ได้ปฏิบัติไม่เคยทำบาปทงกรรมตามข้อบัญญัติของศีลภาวนาใหมา่นี่เราก็ได้ทำนึกว่าพุทธโธพุทธโธเป็นภาวนาจนทำพุทธโธนยจน ชีวิตตั้งชีวิตมีแต่พุทธโธเกี่ยวข้าวกับพุทธโธปักดำนาคุพุทธโธจอบจขุดลึนลงไปกับพุทธโธนวดข้าวก็พุทธโธ ท, ทำไรก็พุทธโธจนติดก็ไม่รู้จกวนจบบาปเจรได้ยินจิตศัพับหลงกุเทียนสอนให้รู้จบวนจบบาป ได้รู้จักพพุทธธรรมพระสงค์รู้จักศาสนาพุทธศาสนาได้โดยวิชากวันฐานจึงแต่เปตะปะไปหาหลวงพ่อเทียนเนี่ยไอโสนเข้าปีโสนเข้าแล้วก็สอนเรายกมือสร้างจังหวแะแบบเราทาอยู่เนี่ยแล้วก็ฝึกมาแบบพุโทโธนกโปตรง อ้าทางรี่แต่เราจะมายกมือเนี่ยคิยว่ามันไม่สุภาพก็ไม่อยากจะทำนะระเหมือนปิดพุทธโธมากปิดความสงบมันก็มีความสุขเวลาออกจากความสงบออกจากกรรมฐานแล้วก็เหมือนเดิมงั้นเห็นศิลาทับยา้าเอาเห็นออกย้า ก, ก็เกิดขึ้นมา จนฝืนตัวเองไม่ทำวียนจับมือจะเอาจริงไหมคิดว่าจะแข่งกับหลงวงทียนด้วยแต่ความจริงเราไม่ใช่ถ้าเอาจริงก็ตรงทำแบบนี้ทำแบบอื่นเราไมา่รับผิดชอบ เอ้าจริงๆอ่ะทําแบบนี้ยกมือเคลื่อนไหวสร้างจังหวะเนี่ยเราเลตัดทิ้งใจทำอ้มแล้วบันก่อนแล้วลุดเข้าไาอันเก่ายกมือไปยกมาอมาลุดเข้าไปสงบออกเคื่อนไหวออกมารู้สึกตัวเข้าไปจนว่า ชำนาญชำนาญในความรู้เวลามันหลงไปกลับมาลู่มันก็ขยันหลงเราก็ขยันลู่มันขยันจะสงบเราก็ขยันลู่คนละคิดละทางกันเดินจงกรมอยู่มันคิดไปมันสงบลู่ขึ้นมาก้าวมันก็ไม่อยู่เนี่ยเคลื่อนไหวก็ไม่อยู่เนี่ยทาไมจะไม่ลู่เรามาเดินจงกรมให้มันลู่เนี่ยเราก็ต้องลู่ดังนี้ ไปล้วนเดินไปสงบมันไม่ใช่งานของเรากรรมมาถามการกระทาแบบนี้จึงมาเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเื่นเห็นลูกมันเดินเห็นความรู้สึกตัวที่มันก้าวไปเห็นรูปทำเห็นนามทำจึงมาแตกฉานในรูปในนาม ได้ความเฉลียวฉลาดได้แหล่งความรู้รูปมันบอกนามมันบอกมันคืออะไรเนี่ยกรรมฐ า, านสามารถทำให้ทะลุทะลวงสิ่งที่ไม่รู้ทำไมเกิดรู้แจ้งขึ้นมาสิ่งที่ไม่เข้าใจทำไ้เข้าใจขึ้นมาต่อ เ, เห็นรูปเห็นหนามก่นมันมันก็ชุยก็จะอย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 ไม่กินข้าวก็หิวกินเล้าไม่ถ่ายมันก็ไม่ได้ไม่หายใจก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเป็นอาการของรูปแต่ฉานไปนในน้ำน้ำมันคืออะไรคือจิตใจสิจ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจแต่ละพัฒนาความปวดความโลภความหลงความรักความชังอะไรต่างๆที่เด็ดตัณหาล่ะคะเป็นอาการของนามไม่ใช่นาำมันเกิดขึ้น เมื่อเหมือนเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแต่ขานไปแต่ขานไปนะมันบอกเราลูกมันบอกนามมันบอกได้ปัญญาเพราะเป็นลูกเห็นนาเมื่อมันลูกมันไม่ใช่ตัวเฉยเฉยสิ่งที่ไม่ลูกหลนไปหลนไปหลนไปนะ่าไม่ต้องทำอะไรมันบอกเลยมันตกแหลง ตกแหลงแข่งความรู้เหมือนเราทางานตกแหลงแห่งความสะดวกสบายมันก็เกิดความสะดวกไม่ยากเหมือนจริงโคกหลงเขาเหมืนบอกเราวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่จะหลงที่ย่อยเปลี่ยนได้เป็นดีได้ที่เคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์ที่เคยหลงไม่หลงิงที่เคยโง่ไม่โง่ เห็นชู ม, มุดเห็นลูกทุกเห็นนามทุกเข้าไปเลยเห็นลูกทุกเห็นนามทุกที่มันเกิด อ, อยู่กับลูกสงสารลูกไม่เคยช่วยเหลือลูกโอ้เฮ่ลูกเป็นทุกทุกก็เป็นทุกอะไรที่มันเกิดเป็นทุกจากลูกมากมายเอามาเป็นทุก ร่อมก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์ปวดก็เป็นทุกข์แล้ ว, ว่าตัวว่าตนเพราะเม่เห็นธรรมชาตินา ก, การไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นทุกข์เป็นเรื่องเป็นปัญญาเห็นความหิวเป็นปัญญายื่นใจไม่ทุกข์ไม่กังวลเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกไม่แต่ปัญญา รู้แล้วรูว้แล้วรูว้แล้วรูว้แล้วเปตอบคําเดวคือรู้แล้วรูว้แล้วไม่มีองินเดิมนี่ความเป็เชื่อรู้แล้วนี่ค ว, ว, วามเป็นทุกข์รู้แล้วนี่ความไม่ใช่ตัวตนรู้แล้วสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดไม่ใช่ตัวตนไม่ควรไปยึดว่าเป็นเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราตลังที่เราสวดพระสวดสงขารคือร่างกายจิตใจ ลรือลูกทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเยกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสั้งขารคือร่างกายจิตใจและรูกทำนามท ำ, ทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพราะเกิดขึ้นแล้วเจ็เจ็บตายไปแต่เปโธมาสังขารสังขารตั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเราก็เห็นไปสารวจเนี่ย ก็เลยบ่ บ, อบอ่ถ้าเป็นใจก็ใจดีกว่าเกา่าใจดีกับเขาร่วงพ้นภว่าเกา่ภ า, ภ า, กาถ้าเป็นทุกข์ก็ทุกข์ก็หลุดออกไปหลายอย่างสิ่งที่เคยเป็นทุกข์ไม่ทุกข์คืวามทุกข์หลุดไยนะถ้าเห็นแหละไม่ใช่เห็นแล้วมันมันไม่มีประโยชน์เห็นแล้วมันมีประโยชน์ สิ่งที่เห็นมันก็พ้นสิ่งที่เห็นไม่เข้าไปเป็นเหมือนกับเราเห็นงูพ้นจอบงูเห็นทุกข์พ่นจากทุกข์เห็นความหลงพ่นทวงหลงเห็นกวาไม่เที่ยงพ้นความไม่เที่ยงมันก็นียประโยชน์เรื่องทุกข์หมดไปเห็นหลงหมดไปเห็นสมมุติเห็นบัญญัติความพอใจความไม่พอใจมันเป็นสมมติมันเป็นบัญญัติ ว่าชอบว่าไม่ชอบไม่ใช่สัจธรรมแล้อถอนสมมุติออกมาเวลาที่มันหมกวนคุณคิดเห็นมันคิดถอนความรู้สึกออกมาง่ายถล่มเข้าไปอยู่ในความคิดมันมีโอกาสฉลาดต้นด้วยถ้าจะเปรียบเหมือนกับดวงจันทร์งอาทิตย์ถ้าจะเหมือนกับค้อเมฆ นันก็จะบังดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ตาแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยที่เรามีสติเนี่ยมันไม่สามารถที่บังได้เลยเปลี่ยนได้ทุกโอกาสมีความรู้ได้ทุกโอกาสไม่มีความหลงมีแต่ความรู้ได้ทุกโอกาสในเวลามลันหลงยิ่งมีโอกาสรู้ได้ดีที่สุดมีรสชาติ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 เหมือนก็เราไม่นั่งอยู่เฉยๆเวลาเหมือนในวลานี่เรานั่งอยู่หัวใจมันก็ไม่รู้อะไรถ้านั่งบนรถมันก็ผ่านโน้นผ่านนี้เห็นลักษณะความรู้สึกนั่งเครื่องบินเวลามันมีคลื่นก็รู้สึกว่ามันผ่านอะไรมางอย่างไปข้างหน้าบ้างถ้ามันไม่มีคลื่นมันก็นั่งอยู่เฉยๆมันไม่ไปไหน รวมทุกมันทำํำไมพุน่นมันไปรวมหลงเท่าไรพ้นมั น, น, มนไปมันบง่งบอกว่ า, ม, ามันพ้นไปแล้วมันหลุดไปแล้วปัญหาต่างๆพ้นไปแล้วเป็นปัญญาเพราะมันภาวะที่เห็นเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุเห็นอาการตาก็เป็นวัตถุกายก็เป็นวัต ถ, ถุใจก็เป็นวัตถุ หูก็เป็นวัตถุกายก็เป็นวัตถุกายมันก็ต้องมีอาการหาูตาจมูกทิ้นมันก็ต้องมีอาการวัตถุอาการเห็นเปรตมัดเปรตมัดไม่มีอะไรวันหยติแต่มันเป็นจริงอยู่นั่นิวมทุกข์ก็จริงแบบทุกข์แต่มันไม่จริงแบบไม่ทุกข์รวมเปี่ยงก็จริงแบบไม่เที่ยงแต่มันไม่จริงแบบเปรมเที่ย ความโกรธก็จริงแบบความโกรธแต่ไม่จริงเหมือนกับความไม่โกรธมันตรงกันข้ามไม่จนแต่ก่อนเคยจนพวความทุกข์เคยจนพวความโกรธความหลงความทุกข์ความโกรธความหลงความโลภมันเป็นสมุดบัญญัติมันไม่เที่ยงถ้าความไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเป็นผลมัดสัจจะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงนี้ได้ชีวิตมีที่อยู่ในที่ตั้งไม่หวั่นไหวอาจจะเหมือนที่พึ่งกับพึ่งรู้จักจอดฉันารูจักพุทธาสนาศาอ ส, า, ส, า, ส, า, สาคือคนคนไม่มีทุกข์พุทธสาสตนาคือปรรัญญาออกจากทุกข์ ถ้ายังมีทุกข์ไม่โกรธไม่โลภไม่ลงอยู่ไม่มีศาสนาเลยจิตใจก็เปลี่ยนไปอย่างนี้นเปลี่ยนไปจนสามารถจกมือไหว้ตัวเองได้แล้วก็เปลี่ยนไปจนถึงตึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่พ่อแม่ให้เราเกิดมาเพื่อรู้เรื่องนี้ที่เราทำบุญทำทานมีใายมีใจก็เพื่อเรื่องนี้นั้นก็มีปิติบ้าง เขาว่ามันเบาไม่เหมือนก่อนตวงพ้นเพราะวะเดิมต่างเขาแทบจะบอกว่าเป็นพระก็ได้นะ่ะพระคือลักษณะแบบนี้เป็นดินเป็นพรมก็ได้มีคุณธรรมก็ปิดอบายก็ได้ปิดอบายจะพรมได้ตึดขาดเปิดทุกอก่ฉันลกเดชฉันปิดใต้เดชขาด เพราเราเห็นกันเหมือ น, นคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ก่อนเป็นเด็กเห็นขี้โคนก็ลงเล่นขี้โคนได้ต่อเป็นผู้ใหญ่มันก็นลงไปธรรมาดานี่คือกรรมาฐานทำไมชื่อตเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทางสติปัญญาเปลี่ยนจากยึดัยมันจะให้ลงคมขื่น ตัวเองจะให้โกรธก็ข่มขืนตัวเองจะให้ทุกข่มขืนตัวเองมันเดาไม่ได้ก็ไม่ทุกข์มันมีก็ไม่โกรธมันมีมก็ไม่หลงมันมีมีสิทธิถ้ามันเลยจะไปหมกบุนอยู่กับสิ่งโสกคกิดหน่อยแมวเันชื่อว่าความทุกข์หน่อโชว์นิดหน่อยไม่มีละออกทั้นทีเลยมันจึงมีบัตรสื่อเป็นการเห็นอ่างบัตรสื่ ไม่จะเห็นที่ไหนเพราะมันพ้นจากทุกไม่ใช่เรื่องธรรมดามันมีมีประโยชน์มีค่าตรงนี้ชืิตของเราเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็ทำได้ให้ออกกรรมฐานเนี่ยฝึกไปฝึกไปเมื่อเหมือนเป็นแล้วท้าไม่เป็นเป็นแล้วมันก็เป็นไปเลยไม่รู้จะลืม นั่นเหมือนการท่องจำวิชาการท่องจำเนี่ยมันลืมเป็นวิชาที่ทำให้เป็นมันลืมไม่เป็นรูปมันก็เป็นรูปน้ำก็เป็นน้ำมันจิงแบบนั้นไม่จิงแบบนั้นตัวไม่เที่ยงก็จิงแบบนั้นความไม่ทุกข์ก็จิงแบบนั้นความไม่ใช่ตัวตนก็จิงแบบนั้นแต่เราจะไปเอาอทำมามัก็สิ่งเหล่านี่มันสามารถทำได้แล้ว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 ได้มาจากเหตุปัจจัยบิดามารดาให้เรากำเนิดเกิดมาเพื่อให้ได้ชีวิตอันส่วนนี้ถ้าไม่มีรูปมีน้ำก็ไม่ได้ชีวิตส่วนนี้ไม่มีรูปมีน้ำก็มีมรรคผล น, ผนิพพานรูปน้ำเนี่ยทำให้เกิดมรรคผลนผิพพานได้มีเท่านี้ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณบอกคลทเจ้าไร้ชีวิตมาตือ ห, ห้านิ้วสิบนิ้ว กายใจของเราได้มาจากวิดามานดาเอามาทำความดีเอามาให้เกิดมาเกิดผลจนเธอได้ชีวิตเนี่ยอิวอินี้เป็นชีวิตอมตะแลาเราไม่ได้ชีวิตอมตะเราก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับหลอยเพพบรยชาติสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธล่าเป็นลักเกลียดชังเป็นเกลียดชังพอใจไม่พอใจล่มเหลวทั้นั้น ที่แบบนั้นเนี่ถ้าเราไม่เป็นอะไรมีคีวิตขึ้นมาเนี่ยเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายมันจะก็หมวดมาให้เห็นอะไรที่มันอยู่ในกองลูกกองนามมคืออะไรบอกหมดถ้าสี่ขันห้าลูกไม่เที่ยงวิทนามิเที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขัญไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง รูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเพราะจริงแล้วไม่รู้ไปยึดว่าตัวว่าตนว่าตัวย่อุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์ไปยึดว่าตัวตนเรบเป็นทุกข์เพราะเราหลงเพราะเราไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนทุกข์ของเราตกของเราถ้าเรามาเห็นแล้วมันไม่เป็นเดี๋ยวมัน มีชีวิตจริงๆตัวเนี้ยจึงได้กรรมฐานจึงได้ชีวิตคู่ชีวิตได้ชีวิตขึ้นมาวิชากรรมฐานไม่มีวิชาอื่นใดในโลกเนี้ยที่จะให้ทําให้เรามีชีวิตได้เป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเห็นแล้วทุกอย่าง อะไรทไปลูกไม่มีอันเกี่ยวกับลูกดามเนี่ยลูกหมดโตครบโท้วนที่เจอก็ไม่มีอะไรเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายเป็นธรรมชาติชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรมันเป็นจมบหัดของส่วนตัวของใครของเรา เป็นกรรมที่ต้องสร้างขึ้นมาชีวิตของเราก็พร้อมแล้วในเรื่องแนวพวกที่สุดพ้อมที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ปฏิบัติให้ทำให้เป็นเรื่องนี้กันมันไม่ยากเริ่มต้นก็มาฐานมีสติทุกคนทำได้มีสติก็มีตรงตรงงู้งูอนุบานไปก่อนเครื่อน่อย เคลื่อนไหวสร้างจังหวะให้รู้ถ้าไม่รู้อย่าไปทำมันจะเสียนิดใสเดินจงกรมให้รู้วอรู้กายก็ไปรู้จิตมันมีอะไรเกิดขึ้นขณะที่มันเห็นกายนั่นมันก็มีหลงมันก็มีหลงนั่นแหละคู่กับรู้งานก็เราก็มีอย่างนี้เวลามันหลงให้รู้ มันก็ไม่ยากมันถูกต้องมันชอบมันตรงเวลามันหลงมันรู้มันตรงอะไรที่ไม่ใช่รู้เปลี่ยนไม้เป็นรู้มันตรงรู้เรื่องเรียวนี่ยฉลยไปได้ทุกอย่างเรียกว่าปฏิบัติตรงปฏงิบัติออกจากทุกปฏิบัติสม่ำเสมอในความหลงก็รู้ สมองสมองเนาะจนทำให้เป็นปี่แหละกห็หัดหัดมีที่ตั้งมีกรรมฐานมีที่ตั้งเคลื่อนมือเข้ายกอออกให้ ล, ลูกอยู่เนี่ยเาราหลงก็บลูกอยู่เนี่ยตั้งไว้ตรงนี้กรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งมีที่ตั้งมีการกระทำการกระทำคือให้ลูกอยู่บ่อย รู้อยูย่บ่อยๆเยันดรู้บ่อยๆเรียกว่าภาวนาใหม่เป็นที่เกิดแห่งวุญทีลใหม่รักษากายวาจากาหน้าใหม่ให้ทานจิงของแบ่งปันวัตถุจึงของเพราะนั้นก็ที่เกิดแห่งวุญแต่ภาวนาใหม่เนี่ยเป็นบุญมันสูงสุดเั่นสูง มันเปลี่ยนหลงเป็นลู้เนี่ยเนี่ยชั้นสงที่สุดเปลี่ยนทุกเป็นลู้ชั้นสงสุดเป็นการทําบนสูงสุดเป็นทุกเป็นลู่เป็นอะไรเป็นลูเนี่ยเป็นการที่สุดยอดของความดีไม่มีอะไรที่จะเหนือไปกว่านี้ทุกคนก็มีหลงแต่ทุกคนเวลาหลงไม่เคยเปลี่ยน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 ชกีวิตก็เหมือนอยู่ตรงนี้เหมือนกันนี้มันเป็นสากคนอันความลูกก็เหมือนกันหมดถ้าเปลี่ยนหลงเป็นลูกก็ทำเหมือนกันหมดเปลี่ยนโกรธเป็นลูกก็ทำเหมือนกันหมดจดจะทำต้องเป็นอย่างเดียวกันนี้ไม่ใช่เป็นอย่างอื่นมันจึงไม่ไม่เหลือวิสัยที่เราทำไม่ได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ เวลามันลองเปลี่ยนหลงได้อยู่เวลามันโกรธเปลี่ยนโกรธได้อยู่เวลามันทุกข์เปลี่ยนทุกข์ได้อยู่ในความทุกข์เป็นสังขานจิตใจเป็นสังขานไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราเปลี่ยนได้ถ้าบางคนไม่เปลี่ยนเอาไปเป็นอุปท า, านยึดไว้ในความทุกข์ ยึดว่าในความโกรธยึดว่าในความพอใจไม่พอใจเ่ยวุฒทานขันธ์หเป็นทุกข์เปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่อุปถาวัจจะทำไมโนเนี่ยมันยืดไว้เฉยๆวัชิตตวัโลชันติวาง ส, ว า, ง ส, ส, งสขขาวางสาเต่ะมูปะชมสุโขทวารแล้วจะเป็นไม่ทุกข์ไม่หลงไม่โกรธ บองสุกุลตัวเองจะให้หลงตาไปบังสุกุลให้บังสุกุลตัวเองเรามาหลงความหลงเกิดขึ้ น, ลล น, กก น, ลลนแล้วจเราหนอความทุกข์เกิดขึ้นแล้วจเราหนอเพราะเราไปยึดว่าเราทุกเป็นผู้ทุกไม่ใช่เห็นวันทุกอุปชิตตวาเนี่ยเห็นวันทุกเทสงังโบ ไม่เป็นผู้ทุกเดียวเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเดียวแต่สังบูปัจโมโยโขในความไม่ทุกมันก็ไม่ทุกก็เรียกว่าความสุขจะเรียกว่าความไม่ทุกก็จบแค่นั้นเหมืนหลวงตาพูดว่าความสุขของมนุษย์ของคนเน่ยสุขแบบเก่าชี้กากมันเป็นโรคมันจึงได้เก่า ตอนมันทุกข์คือมันคันโอมันเก่าคือมันสุกเราขี้กาดมันก็มีความสุขโลกมันเกิดขึ้นมันคันสุบบุหรีมันคันขึ้นมาแล้วไปสูกมันก็คันมากทนไม่ได้ต้องสูกไม่รักษาขี้กากให้หาย ต้องอยากต้องสูกต้องอยากต้องสูกต้องสูกต้องอยากเพราะอยากจึงสูกเพราะสูกจึงอยากเพราะอยากจึงสูกเพราะสูกจึงติดเพราะติดจึงอยากมันเป็นบันดาเพราะไม่สูกกพไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูกรักษาขี้กากได้หายไปเลยจินหมาขวางกันนะ กินเหล่าก่อะอะไรที่มันเป็นของที่ไม่จําเป็นข้าวน้ามีความจําเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นมากไปเดี๋ยวนี้หลบกกินไข้ของที่ไม่จําเป็นมากน้าโคกน้าแป๊บซี่น้าอร่อยไม่มากเครื่องดื่มไม่มากน่าชิ่นเพลิงไปเปล่าประโยชน์อัอนนั้นไม่ใช่อาหารไม่ได้อะไรเลย อาหารได้จากข้าว่าเป็นกะวล่งกาหารเกนลงไปนลําคอได้เลือดได้เนื้อได้กําลังพัฒนาอาหารอาหารที่พัฒนาทางตาทา ง, ทา ง, ทางหูจมูกดีนกายใจอาหารอันนั้นไม่ใช่อาหารกระวิ่งกระหารเท่านั้นที่เป็นอาหาร พัสหารคือมีความจำเป็นเชื่อนตาวองผ้ามันร้อนกอบน้ำสัมผัสนะมันเป็นการบันเทาตามเหตุตามปจมัจจัยมันนี่โรคไปอย่างนี้มันก็เหมือนกันหมดไม่ว่าที่ไหนก็มาฐานเป็นคู่คิตของเรา ในเมืองไทยจิตชากรรมฐานเหมือนกันหมดต้องมีสติเปลี่ยนหลงเป็นรู่ถ้ากรรมฐานอันไหนไม่เปลี่ยนหลงเป็นรู่มันก็ไม่ใช่กรรมฐานไม่มีผลเป็นอัตตะกรรมเป็นกรรมที่ไม่มีผลนั่งหลังโกรต้องโง่จนตายก็ไม่รู้อะไรเห็นพระกรรมฐานแห็นจียาจารย์ไปนั่งปกตอนนอนไปนั่งปกด้วยกัน เขาปลุกก็นเลยล่ะเห็นไหมเคยเห็นไหมเขาปลุกเสกพระเขาหล่อพระเป็นเหมือนๆเฉินเฉินอนหมอนเจียอาจารย์ไปนั่งปลุกเขาก็หรือว่าเราเป็นเจียอาจารย์ไปนั่งกับเขาก็จะเขียนที่ไว้นั่งให้อาจารย์ตานั้นนั่งจนนั่งนัเลยเราไปก็ไป เขาเขียนป้ายที่ที่นั่งไว้แล้วก็ไปนั่งแล้วก็นั่งหายใจเข้ารูสาร้สึกหาเจออกรู้สึกไม่ได้เฉกับเรา <c oughs> หายเขารู้สึกบางทีก็ยกมือเคลื่อนไหวสักสิบตัวเนี่ยถ้าหราใจดีแล้วมันก็ไม่เบียดเบียนแล้วเอิ่มเหมอใช้แบบอันทีเขาเขาม่เขาไม่ได้เขาถึงใสย เครื่องอะไรต่างๆมาใส่ตักเราล้วก็จับได้แล้วก็แผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเว้นให้บาทเบียงเบนกันเลยไม่ใช่ห่ือโอมันโมขวะติมรตนะโคริจกวานังสารุปตะโอกันโลอนั่นาคลลนนาถาไม่ใช่กรรมฐานกรรมฐานต้องแผ่เมตตาต้องทำใจดีๆนั้นต่ก็นั่งอยู่ อาจารย์คำถามมาจากขอนแก่นพระเจเจแก่ เ, เท่าไม่รู้จิตจับปีกมาสองคนนาก็มานั่งใกล้เราเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีโยมไม่มาหามันนี่เหมือนกูมาอะไรมาแล้วไม่ได้มีอะไรน้อตาก็ดูหน้าบูดปวดเอาแล้วพระเจเจอาจารย์ อาลกแล้วหน้าโวยเรโดร่อยนดร่อยไม่มีใครมาหามันหมุนกุมอะไรยังไงไม่มีอะไรตัง้งๆที่เขาให้นั่งแล้วก็ทําเลยจะมีคาถาอะไรก็ว่าลงไปเลยว่าเสร็จแล้วก็รีบหนีไปอันนี้เมือนั่งบนหลวนตาก็มีสติอยู่หลวงตานั่งก็นั่งบนอยู่บนนี่ เลยบอกลูกศิษย์กูมาอยู่ไปพากูไปกับบัดเดีวกว่าอาหลงตากรรมฐานพระกรรมฐานพระกิจจาระทาทำไมามาโกรธเช่นนี้ไม่ใช่พระแล้วเป็นผีแล้วเนี่ยดีอะไรพระมันต้องใจดีนะอันนี้เป็นผีแล้วหน้าบูบูแบบก็ลูกศิษย์ก็จับปิดลุกขึ้นพาไป เจ้าภาพก็วิ่งมาวิ่งมาเองมาหลวงพอ่อหลวงพอ่อยังไม่ถึงเวลานั่งนอนนั่งก่อนไม่กูไม่นั่งนอนแล้วไปไปไปไปขึ้นรถดียว <laughs> อะไรแค่นั่งโกรธแล้วโกรธแล้วถ้าทางจากสิตนะจากจิตอะไรจักจิตมันต้องใจดีทำใจายเป็นชนใจดีนี่คือพระ อยู่ที่ใจดีๆคือความเป็นพระและใจร้ายก็เป็นผีไปแล้วอะไรศักดิ์สิทธิ์น่ารีบทำเก้ไปกข้ไปเราต้องออกปัจจัยตามถวายขึ้นรถไปเลยสงสารเจ้าภาพเขาเขาก็น่าเศร้าเจ้าภาพเขาบรรยากาศไม่มีเลยไม่ดีเลยหั้งตาองเดียวพระผู้เท่าด้วยเจ้าม อะไรคือศักสิ์สักสิ์ที่เปลี่ยนลายเป็นดีเนี่ยมันจะโกรธเปลี่ยนความกรธเป็นความไม่โกรธเนี่ยมันจะทุกข์เป็นควบทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เนี่ยอย่าเป็นทุกขกกก์ความ เ, เ, เป็นทุกข์อย่าเป็นทุกข์ความโกรธอย่าเป็นทุกข์ความโลภอย่าเป็นทุกข์ความหลงอย่าเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงนั่นแหละคือนิพพาตนตามความร้อนเป็นความเย็น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 ถ้าเป็นซากศพก็ศพมันบอกเราแต่ก่อนก็เราก็เหมือนท่านต่อไปท่านทั้งหลายจะเหมือนเรานี้นี่คือของจริงเพราะนันเราจรึงรู้วันนี้ซะในความเที่ยงในความทุกข์รู้เดี๋ยวนี้ในความเกิดเ จ, เ จ, เจ็จะตตายรู้เดี๋ยวนี้ เหนือก่อนเกระเจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเจ็บใครเจ็บใครายเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่กรรมฐานไปสุดสุดเลยสุดแผ่นดินสุดโลกจบแล้วจบแล้วถ้าเราไม่ศึกษาแล้วนี่อะไรชีวิตของเราที่จะมีประโยชน์อย่าประมาทอย่าเราให้อ้างโน่อนอ้างนี่ผมหลงไม่ไม่อ้าง แล้วมันหลงทใดรู้ทันทีหัดไว้หัดไวหัดไวแล้วมันทุกข์เทใดรู้ทันทีเปลี่ยนทุกข์ไม่ทุกข์เปลี่ยนหลงไม่หลงเปลี่ยนโกรธไม่โกรธเปลี่ยนให้เป็นความรู้ทั้งหมดเลยไม่เวรเหลือหล่อหลอกมันไม่งอกไม่มีพันุใหม่มันไขวัดสองพันห้าร้อยสองพันตละอันวัดพันุใหม่คพิ่โกรธเป็นพันเก่า ความทุกข์กับพันเก่าความหลงความโรคผลพันุเก่าอันเดียวกันหมดเลยในโลกนะี้ถ้าจะเปลี่ยนหลงก็มีแต่ความรู้อันเดียวขนานเดียวสัจตวรมพุทธรัตนังโอสถังเป็ น, ย า, นายารักษาทุกข์ย่ารักษาความเก่าความโลคความหลงนี่คือศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ต้วยกรรมฐานนะหลังจ า, าจะไป เมืองเลยจะไปสอนธรรมะเมืองเลยมันขยันแบบพูดเท่านะอยากจะไปบอกให้ได้บอกเถอะจะทำได้ไม่ได้ถือว่าไม่ใช่ความผิดของเราเราจินนข้าวชาวบ้านเราหนุ่มหอมยีรชาวบ้านเราอยู่กติชาวบ้านสร้างให้เราจะไปทำประโยชน์เดี๋ยวนี้งานเมืองเลยหลวงพ่อเทียนจะไปบ้านพ่อ ทับแม่งขวานหลวงพ่อเทียนตายที่นั่นหลวงพ่อเทียนจังไว้อย่าลืมทับแม่งขวานนะอย่าลืมวัดโมกนะอย่าลืมวัดสนามไนนะได้ไม่ลืม